เราะต้ตจามาจู่ช่วงแคสชี้แคสตด้ไปดร้องเกสัิบห้5 โลกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพันแท้ค่ะโลกมีเรื่องราวที่แปลกประหลาดหลายอย่างที่เกินกว่าความคิดและจินตนาการจะไปถึงโลกจึงเขียนเคสตัดีเพื่อขอความเมตตาจากคุณครูผม่ใหญ่ได้เฉลยเรื่องราวต่างๆค่ะคุณูใหญ่ต้องเป็นนักเรียนทุกวันเลยนะคือต้องตอบคำถามว่า เหมือนเข้าห้องสอบตอนที่ลูกยอะได้สิบสปีลูกเห็นพี่ชายนั่งสะพานนั่งสมาธิในห้องทุกวันลูกจึงแอบเอาหนังสือการปฏิบัติธรรมมาอ่าน้ำก็ทดลองลองมือปฏิบัติดูลูกก็เห็นภาพมาลอยเต็มหน้าเลยภาพปีศาลอยมาเต็มหน้าเจ้ลูกกลัวมากแต่สักครู่ภาพนั้นก็หายไป พอผีออกภาพต่อมาก็เป็นรูปพระพุทธรูปลอยมาพอผีออกพระก็เข้ามาตั้งแต่นั้นมาลูกก็ไม่ยอมนั่งสมาธิอีกเลยเอานี่ก็เรียกผีเข้าผีออกพอผีออกพระเข้ามาเรากควรจะดีใจแต่ถ้าพระออกแต่ผีจะเข้าแต่ว่าตั้งแต่ลูกได้นั่งสมาธิจนเห็นภาพพระลูกกลับรู้สึกเหงาเหมือนแมวลองเหงา เ ห, หมือนว่ากำลังรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูรู้สึกว่าจะได้พบสิ่งที่รอคอยคือเมื่อประมาณปีสามหขณะนั้นบ้านอยู่แถวบางนาแต่ที่ทำงานอยู่แถวสายใต้ใหม่ลูต้องใช้เวลานั่งรถไปทำงานสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับอีกสองสามชั่วโมงเหนื่อยและเสียเวลามาก จนลูกเบื่อเบื่อแล้วก็ทอ้อลูกจะเข้าห้องพระเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบกราบพระประธานในห้องแล้วอธิษฐานจิตว่าถ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงในโลกนี้ขอให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวลูกภายในเจ็ดวันดียความดื้อและไม่เข้าใจในศาสนาทำให้ลูกอธิษฐานเช่นนั้นแล้วก็ขอสามอย่างในเวลาเดียวกันคือ แดตตังเงินขายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรยว่าหนึ่งขอเงินใหม่ใกล้บ้านโ <Nah. S 1> ดยใช้เวลาเดินทางเพียงหนาที oh. หรือเดินทางมาเกิน500ร้อเมตรมันก็ไม่มากเกินไปเพราะแค่ห้านาที oh. ข้อที่สองในที่ทำงานใหม่เคยได้ตำแหน่งหัวหน้า ง, งานและได้เงินเดือนตามที่หวังไว้ <Nah. S 1> ก็ไปเป็นหัวหน้าคนรับใช้ข้างบ้านก็ได้ข้อที่สามขอให้คำปฏิถานสองข้อแรกจงสำเร็จภายในเจ็ดวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เมื่อลูกขอไปใจก็คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้หรอก the impossible จรงมากก็าแค่ข้อเดียวก็เหลือเฟือแล้วจะมาสำเร็จภายในเจ็ดวันได้อย่างไร แต่แล้วเมื่อถึงวันที่สามก็มีพี่คนหนึ่งที่ลูกรู้จักโทรมาหาและเธอก็บอกว่ามีคนแนะนำให้เธอไปทำงานที่แถวบางนาแต่เธอจำได้ว่าบ้านของลูกอยู่ใกล้บริษัทนี้มากลูกก็เรียกไปสมัครงานบริษัทนั้นทันทีเพราะมันใกล้บ้านเลยแค <S S> ่หานาทีถึง แล้วก็ลูกก็ได้แงเง ง, งงงเพราะบริษัทนั้นอยู่ซอยถัดไปจากบ้านลูกแค่ซอยเดียวจะลูกสามารถเดินทางไปทำงานได้ในเวลาแค่ห้านาทีเกิด <c oughs> ที่ฐานขอเจวันแต่วันที่สามได้แล้วแค่ห้านาทีเออเอาเลยสิ oh. แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชักจะมีจริงแล้วณ <c oughs> ที่ทำงานแห่งนี้ลูกเดวพบกับผู้ชายคนหนึ่ง เป็นพนักงานของที่นี่เมื่อเดียวพบหน้ากับเขาครั้งแรกอ้อมิตภาภะลูกมีความรู้สึกคุนะ้นหน้าคุ้นตามากมากเหมือนกับเคยรู้จักเขามานานแสนนานไม่ใช่แค่นานสองนานสองนานมานันยังไม่เนิ่นนานแต่นี้นานถึงแสนนานเหมือนกับว่า เราต่างเกิดมาเพื่อจะเป็นคู่กัะ น, ะนอืมเมื่อลูกได้คุยกับเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเคยรู้จักกันมานานแล้วและยิ่งเมื่อทราบว่าเขาชอบไปวัดปฏิบัติธรรมด้วยโอ้ในใจลูกเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างบอกว่าใช่เลยประมาณนี้เลย คำตอบของสิ่งที่รอคอยนั้นก็ไม่จะถูกเฉลยแล้ววันอาทิตย์ต้นเดือนเขาพาลูกมาวัดพระธรรมกายจะมาเทลีนบันไดาขาขึ้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเขาพาลูกมาวัดพระธรรมกายเมื่อลูกได้มาที่นี่เพราะผู้คนมากมายในวัดความรู้สึกของลูกเหมือนคุ้นเคยกับคนเหล่านั้นมาก จนถึงเวลาปฏิบัติธรรมตามเสียงไม่เด็กคุณหลวงพอ่อไม่นานเลยลูกก็บพบความสว่างภายในที่ไม่มีประมาณความสว่างก็กลายเป็นดวงใสซ้อนกันลูกไปความสงบยังบอบไม่ถูกจนจบพิธีใจลูกก็ยังติดในดวงใสตลอดติดตลอดเวลาเลยประสบการ์สมาธิเป็นสิ่งที่ง่ายมากง่ายจนลูก อ, อกสงสัยไม่ได้ว่า มันง่ายจริงๆเนะี่ยต่อมาสายตาลูกเห็นภาพพระสงฆ์ที่คนก็ไปกราบไหว้มาเดินก็ไปใกล้รูปท่านก็รู้สึกอบอุ่นละปิติที่สุดคำตอบของสิ่งที่รอคอยมานานก็ถูกเฉลยมลูกถามคนที่อยู่ใกล้กันว่าภิกษุในภาพนั้นคือใครคำตอบคือป็เด็คุณหลวงปู่วัดปักน้ำ น, นั่นเองลูกตามเพื่อนอรุ่นพี่ที่บริษัทเดียวกัน ว่าพระธรรมกายไม่เคยขาดเลยจะในที่สุดเราก็เป็นเพื่อนที่สนิท ก, กันมากมาแต่ในปี2538ท่านก็ได้มาบวชที่วัดพระธรรมกายโดยไม่มีกำหนดลาสิคาลูกดีใจมากที่สุดและเสียใจามากที่สุดในเวลาเดียวกันในช่วงนั้นลูกก็รู้สึกว่า จะเสียใจมากกว่ามั้งเพราะเริ่มจะห่ายจากวัดพัฒมกายเนื่องจากบางครั้งเนี่ยมันมีความคิดชนิดหนึ่งผุดเกิดขึ้นมาว่าวัดพระธัฒมการนี่เราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนลูกไปบวชเอาวัดเขาอยู่กับที่แต่คนมีขาเขาเดินมาหาวัดไม่ใช่วัดพัฒมการเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนลูกไปบวช ลูกตรงศูนย์เสียเพื่อนไปให้วัดเอา้าวทำให้ลูกต้องเคว้งคว้างจนเมื่อประมาณปี2540ลูกก็ไปท่อพผาปาที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ได้แวะชมวัดชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตวันนี้ระดิษถานร่างที่รัสังขารของพระชื่อดังนับร้อยปีโดยที่ไม่เนาวป่วยเลยลูกเข้าไปกราบไหว้ท่าน แล้วถามในใจว่าทำอย่างไรใจที่เศร้าหมองและสับสนของลูกในการบวชของเพื่อนจะหมดไปได้ลูกเ ด, เดินดูวัดเรื่อยๆใจก็เลื่อนลอยลอยจนเห็นสถานที่เสี่ยง CMC ลูกตัดสินใจเสียงเสียงทันดีเข้าไปเสียงมซ c MC. ด้วยคารู้สึกที่เบื่อเบือ่อแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรในวัดนี้แต่ว่าเมื่อลูกได้อ่านข้อความในใบเซมซีที่เสี่ยงได้นะสิลูกต้องตะลึงกับข้อความนั้นต้องอ่านซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นสิๆที่อปความแน่ใจเพราะข้อความนั้นเขียนเอาไว้ว่าคนที่ได้อ่านเป็นผู้หญิงอ่ะและเธอกําลังเดินหลงทางในป่าด้วย ด้วยความเศร้าโศกเพื่อตามหาชายหนุ่มที่เธอรักมากาเอาละสิเ<อ>กียรตแต่เธอก็ได้เจอกับพระพุทธองค์เข้าเธอจึงไ ป, <า>ไปเข้าไปกราบแล้วพระพุทธองค์จึงตรัส ถ, ถามเธอว่าเจ้าตามหาอะไรอยู่หรือยญิงสาวจึงตอบว่าตามหาชายคนรักอยู่พระพธองค์จึงตรัสว่าเจ้าไม่ต้องตามหาแล้ว เพราะชายหนุ่มที่เจ้ารักนั้นบัดนี้ได้เป็นทหารของตถาคตแล้ว<อ>เจ้าจะเสียใจและเร้าโศกไปใหญ่เจ้าควรเข้าไปหานะดอกไม้ถูบเทียนและอาหารที่พร้อมเพื่อ น, นำมาเป็นพุทธบูชา<ม>และกับฟังธรรมกับพระบรมศาสด า, สดามิไดาา้ขาดจนหญิงสาวนั้นก็ได้บรรลุธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่สุด นั่นคือข้อความในใบเซียมซีลูกอ่านซ้ำใบซ้ำมาและคิดว่าต้องมีเทวดามากแกล้งให้ลูกเจอข้อความแบบนี้ไปนแน่ลูกชี้กระดาษแล้ก็เป็นเสียงเสียงเหมือนอยากให้ข้อความนี้ทั้งหมดนี้สูญหายไปจากโลกใบนี้เพราะกระดาษนั้นลูกคิดแต่ว่าลูกอยากให้ท่านกลับมาค่ะลูกคิดอย่างนี้จริงๆแต่ลูกอับ น, นี้ความจริงไม่ไปพ้น ลูกรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างทุกระทมเหลือเกินลูกเศร้าเหงาหัวใจค่ะเหงาเพราะว่าไม่มีเธอลูกจึงคิดว่าจะต้องเปลี่ยนศาสนาซะเลยดีกว่าคำวิยารจะได้ผิดตอนนี้สุดลูกก็ต้องรับเอาคำสอนของศาสนาลูกก็รับเอาคำสอนศาสนาอื่นไม่ได้เลยแต่ลูกก็ไม่ยอมมาวัฏธรรมกายอาศัยนั่งสมาธิที่บ้านอา จนมาที่ต้นเดือนปลายปี40ลูกป่วยมากความรู้สึกลึกๆ ล, ล, ลูกเนี่ยอยากจะมาพัธรรมกายมากเหลือเกินจนทนไม่ไหวจึงได้มาวัดทั้งๆที่ไข้ขึ้นสูงมากจนแทบประคองตัวเองไม่ได้ในระหว่างที่ลูกเริ่มปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพอ่อในภาคเช้าลูกคิดถึงหลวงปู่วัดปากน้ำมากคิดว่าถัดตายก็ขอตายระหว่างปฏิบัติธรรมเถ เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีลูกรู้สึกเหมือนไข้ที่ร้อนในตัวลูกก็เริ่มลดลงเองโดยอัตโนมัติกลายเป็นความสว่างแล้วก็เย็นใจขยายออกดวงใสผุดขึ้นซ้อนกันอย่างนุ่มนวลสว่างเย็นตาลูกเห็นกายละเอียดผุดกลางศูนย์กลางกายหน้าตาเธอเด็กมากเหมือนแค่อายุ1 2บ3ปีนั่งในท่านั่งสมาธิใสชุดขาเหมือนลูกมาก ยิ่งตีเธอเด็กกว่าลูกเป็นความรู้สึกใสสว่างตัวใสๆไม่ใช่ข้างในลูกเย็นแล้วก็มีความสุขใครที่ขึ้นอย่งตัวร้อนในการ ป, ปวดหัวก็หายไปหมดเลยจนสิ้นการปฏิบัติธรรมลูกก็รู้สึกสดชื่นหายป่วยใลยทันทีกลับบ้านพร้อมกับเริ่มคิดว่าทุกคนคงมีผังชีวิตนี่ที่ถูกกำหนดไว้แล้วถนนสาเร็จรูปแม่เมื่อไปเสกก็ตังถูก กรรมมากำหนดลูกหาเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นยามวางใจที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาทุกอริยบทจนศูนย์กลางกายก็ลูกสว่างตลอดเวลา24ชั่วโมงสว่าง24นาแม้ยามนอนศูนย์กลางกายก็สว่างใสจนตื่นนอนลูกมีความสุขมากที่ใจกับกลางลูกแยกส่วนออกจากกันไปทํางานลูกก็ปฏิบัติหน้าที่ไป แต่ใจกับละเอียดอยู่ที่ภายในเหมือนแยกส่วนกันลูกอยากจะหยุดใจอยู่ตรงนี้ตลอดไปจังเลยค่ะวิทยุวันหนึ่งเจ้นางลูกก็ได้ไปฝึกพลังลมปราณจักรวาลสิ่งช่นนั้นมีคนนิยมไปฝึกกันมาก่ต่ฝึกจนชานาญในการใช้สมาธิถ่ายพลังลงไปยังจักระในร่างกายคนสามารถรักษาคนป่วยให้หายได้และใครที่ไม่สบายปิดหวเป็นไข้ จะนายก็จะมาลองทําจนได้ผลท่านก็นมาปฏิบัติคารวลูกบ้างลูกก็อยากจะรู้ว่าวิชาธรรมกายจะต้านพลังจักรวาลได้หรือไม่ลูกจึงลองเข้ากลางไปเรื่อยๆจะนายอาฟา ม, มือมากดที่ศีรษะที่ศีรษะลูกเอาไว้สักครู่หนึ่งลูกก็รู้สึกว่ามีพลังอย่างหนึ่งพยายามที่จะเข้ามาที่ศีรษะลูกแต่พลังงานนั้นไม่สามารถเข้ามาในร่างกายได้เลย และนที่สุดเหมือนมีแรงต้านจากศูนย์กลางกายจนจนน้านายตกใจใต้องชักฟ้ามือออกจากศรีรษะลูก <c oughs> ดีไม่ก้นมน้องกราบเพ <laughs> ราะกะบอกวารู้สึกว่าเหมือนมีแรงต้านกระแทกออกมาจากคร่างกายลูก <c oughs> เป็นเวลานานมากจนพลังงานจากจนพลังจากวากังท่านเข้ามาไม่ได้ <c oughs> และก็หมดพลังเป็นที่ทสุดโล w b a t t e r ทห่านหมดอารมณ์ที่จะเรียนพลังจากวาลต่อไป จึงเลิกเรียนเพราะให้เหตุผลว่าอืมเราสู้เขาไม่ได้จริงยังไม่ได้สู้จะแค่อยู่เฉยๆหนึ่งถ้าสู้จะยิงวันนี้เราจะฝึกต่อไปอีกทำไมมันไม่มีประโยชน์ทำให้ลูกเชื่อว่าสมัยตัองครูไม่ใหญ่ถูกกระางอนิสิตหรือพี่ยิงประหลอดจากฝ่ามือจะยิงไม่เข้านั้นมันไม่ไปได้ เรอนุภาควิชาธรมมกายจาใลูกติดอยู่ที่ศูนย์กลายกายฐานที่เจ็ตลอดจกนกระทั่งแม้เวลานอนกายหยาบนอนไปแต่กายละเอียดไม่ยอมนอนธรรมะของลูกในช่วงนั้นดีมากเวลานอนทุกครั้งร่างกายก็กพักผ่อนไปแต่กายละเอียดไม่ต้องพักผ่อนบางคืนกายละเอียดก็ทำสมาธิรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระแต่บางคืนกายละเอียดก็ไปสถานที่ต่างๆไปรับรู้เรื่องราภายนอกห้องนอนได้ เราเห็นภาพการการะทํำและได้ยินการสนทนาเรื่องราวต่างๆเหมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ได้หรือบางสถานที่ไกลๆที่อยากไปก็ค่อยเริ่มไปได้ลูกเห็นอย่างนี้เกือบทุกวันลูกเริ่มไม่เข้าใจว่าทําไมเห็นทุกวันแม้แต่ร่างตัวเองที่นอนอยู่ในห้องลูกก็ยังเห็นบางวันขณนะหลับลูกก็จะเดินไปตามห้องต่างๆลงข้างล่างห้องครัวเห็นภาพการพูด ค, คุยของคุณแม่พี่ชายหรือพี่สาว มีอยู่ตอนหนึ่งพวกเขาคุยถึงลูกแม่ก็บอกว่าจะไปนินทาลูกเขาจะได้ยินพี่สาวก็บอกกับแม่ว่าเขาหลับไปแล้วห้องนอนอยู่ชั้นสามไม่มีทางได้ยินหรอกแต่ลู ก, กสามารถบอกเรื่องราวที่สนทนาได้อย่างละเอียดพี่สาวเป็นงงมากมากค่ะลูกออกไปหาคนข้างบ้านถามเรื่องการสนทนามทีสองที่ผ่านมาเพื่อนบ้านบอกใช่ ถามว่าทำํำไมลูกรู้ทั้งที่เขาคุยกันแค่สองคนลูกก็เริ่มคิดว่าจะเอาอยัางไงกับตัวเราเองดีเรามีปัญหาหรือเปล่าเพราะเรื่องราวของคนอื่นบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปรู้ไปเห็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยความสงสัยประกอบกับเพื่อนบอกว่าอย่าปฏิบัติอีกเลยทําให้ลูกค่อยๆปฏิบัติทำน้อยลงต่อมาเวลานอนการเรียนงลูกก็เลยไปไหนไม่ได้อีกเลยใจก็ไม่ค่อยติดในศูนย์กลางกายธรรมะก็ถอยลง ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเที่ยวสนุกสนานโอ้ี่เจอแก้วเจอแล้วไม่กรรมเนี่ยคว้างแก้วเข่าลกใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปเที่ยวสนุกสนานทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อหาเงินตลอดเวลาเหมือนชาวโลกทั่ ว, วไปเพื่อนที่บวชเป็นพระก็มักจะเตือนสติลูกเสมอ คำถามลูกกับเพื่อนในบริษัทที่ไปบวชพระยังไม่มีกำหนดศึกนะไม่ใช่ไม่มีกำหนดศึกไม่ศึกจ้ะเคยมีวิบากกรรมหรือทำบุญอะไรลวกกันมาในอดีตอุ้งศานอีกแล้วจึงทำให้จิตลกูกไปความผูกพันกับท่านมากคะอาจจะเป็นแม่ลูกมก็ได้หรือพ่อลู ก, กนเนาะ ใบ c ซ c ยมซทำนายที่ลูกเสียงทายมากทำไมจริงทำนายแต่เรื่องทางธรรมและก็แปลกมากมีควาว่าทหารของพระตถ า, าคตมีจริงด้วยหรือคะคำนี้ <S <S <CM> c ซ c ซีแบบนี้มีได้อย่างไรเหมือนเจาะจอมีขึ้นเพื่อให้ลูกอ่านอยู่คนเดียวถูกต้องมากลูกถูกต้องเพิ่งเอาไปใส่หยกๆยกทำไมกรรมติฐานลูกทั้งสามข้อจริงเป็นจริงอย่างง่ายได้ สำเร็จยังไม่น่าเชื่อพลังลมปราณและจั ก, กระคืออะไรมีจริงหรือไม่รักษาคนหายป่วยได้อย่างไรทำไมเจ้านายลูกจึงเกิดความรู้สึกมีแรงต้านออกจากร่างกายลูกช่วยที่ในเวลานอนแล้วลูกเห็นภาพไปรับรู้เรื่องของง่นอื่นเป็นจริงหรือไม่และเป็นไปได้อย่างไรถ้าอยากกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกลูกจะต้องทำอย่างไรเป็นผลเกี่ยวกับการฝึกสมาธิวิชาทรมกายใช่หรือไม่ ลูกศึกษาธรรมะแทบทุกสายแต่ทําไมรักวิชาธรรมกายมากที่สุดแล้วทําไมเมื่อเริ่มศึกษาเรื่องมาในคําสอนวิชาธรรมกายลูกจึงเข้าใจและเชื่อทันทีทั้งทั้งที่ปกติลูกก็มักจะเชื่ออะไรง่า ย, ายๆทําไมมีการพิสูจน์ทาไมบางครั้งขณะปฏิบัติธรรมอยู่หรือเดินทางไปปฏิบัติธรรมลูกจะได้กลิ่นดมบริหอมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งปฏิบัติธรรมเสร็จกลิน่นนั้นก็จะจางหายไปมีคนชอบไปลูกทํำนายไพยิบซี เขาก็บอกลูกดูแม่นมากสงสัยผีจะแม่ยิบซีเข้าสิงบานคนก็มานั่งกราบพบลูกก็ดูให้เขาเด้คิดเงินแค่หนึ่งร้อยบาทโอ้แต่ล้านคนหนึ่งร้อยล้านลแล้วกขติฐานทำบุญให้วัด ต, ต่างๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมางสมาธิ ทั้งทั้งที่ลูกก็ไม่เคยเรียนดูไพ่เลยแต่เขาบอกลูกแม่นมากจนมีแต่คนมาขอให้ดูจะมีผลตากการปฏิบัติทราอย่างไรหรือไม่คะก็จะเห็นแต่ไพ่ทำไมลูกเห็นผู้หญิงสวยเอาล้วสิลูกชอบมองแล้วก็คิดอยากเข้ากละไรทั้งที่ตัวลูกเองก็มีบุคลิกเป็นหญิงมากๆชอบแต่งตัวมาก ในอดีตลูกเคยเป็นชายชาชูหรือเปล่าคะใช่เลย <laughs> ประมาณนี้เลย <laughs> ถึงติดนิดสัยข้ามชาติมาลูกได้สร้างประมีกรรมบุคคลนั้นมาอย่างไรคะจำออเรื่องราวและคำถามได้ไมั้ยจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเปนตัวเป็นตาตื่นขึ้ น, นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปา ร, รัมป ร, รากันจระ โลกกับเพื่อนในบริษัทที่ไปบวชเป็นพระอย่างไม่มีกำหนดศึกคือไม่ศึกนั่นแหละที่มีความผูกพันกันนั้นเพราะความเกือกูลกันในปัจจุบันเป็นหลักจ้่กาธยาสายก็ต้องกันส่วนเรื่องในอดีตนั่นฟังอยู่หรือเปล่าลูกฟังอยู่ฟังอยู่หรือเปล่าจ้ะฟังอยู่ ฟังฟังให้ดีนะลุงเนะเรื่องในอดีตลูกก็ท่านนะ่ะเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช mm hmm. เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาโดยเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกัน mm hmm. กลับเป็นกระิมิรให้กันและกันมาท่านได้ออกบวชแต่ตัวลูกเองนะมวแต่เจ้าชู้จึงมาเป็นผู้หญิงในชาตินี้ แต่ชาตินั้นก็ชอบสร้างบุญนิสัยนี้จึงติดตัวมาจนในจะปัจจุบันอขันห้างลูกเป็นผู้หญิงจึงมีความผูกพันแบบหนุ่มสาวพอขันห้างมันเปลี่ยนไปมันก็ชักเพี้ยนพอกายเพี้ยนใจก็เพี้ยนตามแต่เนื่องจากไม่เคยเป็นสามีภรรยากันจึงได้แค่รักและผูกพันกันชั่วคราวเหมือนหนุ่มสาวทั่ ว, วไปใะมันเป็นความฟุ้งซ่านชั่วคราว คือชั่วเป็น ค, คราวๆเนี่ยถึงคราวฟุ้งก็ชั่วคราวฟุง้ง <c oughs> เขาเรียกกับฟุ้งชั่วคราว <c oughs> ฟุ้งชั่วเป็น ค, คราวๆไปใบเซียมซีทํานายที่ลูกเสี่ยงทายมาทํานายแต่เรื่องธรรมะพระก็เขาเขียนมาอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นปกติแต่ด้วยบุญบรรดาที่จะทําให้ลูกคลายกังวลพ้ น, นจากความทุกข์ใจ จึงได้ไปเจอใบนั้นจ้ะเป็นบุญของลูกส่วนคําฏิฐานของพระตถาคตกำหมายถึงพระภิกสุู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารจะ้ระคำปฏิฐานลูกสามข้อเป็นจริงได้อย่างง่ายได้และไม่น่าเชื่อพระบุญเก่าแน่ดีที่ลูกเคยทําทา น, นรักษาศีลเจริมภาวนา ม, มาเก่าแก่ดีตที่ผ่านมาเมื่อพระภิกสุบอกให้ทําอะไรลูกก็จะทําตามนั้นอย่างรวดเร็วคือชวนทําบุญ ไล้ทําบุญก็ทําตามโดยเฉพาะเพื่อนพึพ่สุรูปที่คุ้นเคยกันในสมัยที่เป็นทหารด้วยกันในพุทธนนท์ที่ผ่านมาบอกให้ลูกทําอะไรลูกก็จะช่วยเหลือทําตามนั้นอย่างรวดเร็วด้วยบุญดังกล่าวนี้มาส่งผลจึงมีเหตุอัศจรรย์อย่างที่ลูกนึกไว้ถึงเจ้ามันก็แปลกนะเป็นทหารเพื่อนทหารด้วยกันด้านมาลักกันได้นี่มันหน้าตี พลังลมปราณและจักรา ค, คือสมาธิแบบหนึ่งของทานศาสนาพราหมณ์จะอยู่ในระดับพอช่อเหลือคนได้บ้างแต่ไม่ได้เป็นสมาธิที่จะทำให้คนพ้นจากพ้นจากวัตฏะสงสารไม่ได้จ้ะส่วนการรักษาคนนั้นบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายจ้ะอย่าไปสนใจเลยเสียเวลาของชีวิตจ้ะจ้นายลูกรู้สึกมีแรงต้านออกจากร่างกายลูก รสมาธิที่เกิดจากศูนย์กลางกางลางรูปเป็นสมาธิที่บริสุทธิ์จึงส่งแรงต้านสิ่งที่ไม่ไมใช่สัมมาสมาธิออกไปจ้ะช่วงที่ในเวลานอนแล้วลูกเห็นภาพไปรับรู้เรื่องของอื่นๆนั้นก็เป็นเรื่องจริงเป็นความฝันอย่างหนึ่งในระดับที่จิตละเอียดเท่ากับกายมนุษย์ละเอียดจ้ะจิตมาละเอียดเท่ากัน ลูกจะตัง้งใจมาฝึกสมาธิใหม่ให้จริงๆจังแต่อย่าไปสนใจทำอย่างนั้นอีกเลยไม่เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์เพราะจะทำให้ติดอยู่ตรงนั้นควรจะหยุดใจนิ่งต่อไปเพื่อให้ใจใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะมีสิ่งที่น่าศึกษาที่ดีกว่านี้อีกมากมายจ้ะลูกศึกษาธรรมะแทบทุกสายแต่รักวิชาธรรมกายมากเพราะลูกได้สร้างปรมีกมุขนะสาวิชาธรรมกายมาหลายชาติแล้วจ้ จ่มีความรักและผูกพันกับวิชาธรรมกายเมื่อลูกเริ่มศึกษาคำมา่นลูกจะเชื่อทันทีซึ่งตรงข้ามกับนิสัยที่เป็นคนเชื่ อ, อยากนั้นก็เป็นเพราะลูกได้เคยศึกษาเรื่องนี้มาหลายชาติแล้วเจ้ะบางครั้งขณะปฏิบัติธรรมอยู่หรือเดินทางไปปฏิบัติธรรมลูกจะได้กลิ่นมะลิหอมอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วกลิ่นนั้นก็หายไปเพราะ บนในอดีตเวลาปฏิบัติลูกมักจะเอาดอกมะลิมาบูชาพระดทุกครั้งบนนี้จึงบรรดาให้ได้กลิ่นจ้ะแต่ไม่ได้มีเทวดาอะไรมาอนุโมทนาคนชอบให้ลูกทำนายพ่ยิบสี่แล้วบอกว่าแม่นมาก ท, าทั้งทั้งที่ลูกก็ไปเคยเรียนดูไพ่มาก่อนเลยเพระพวกที่ชอบไปดูโดยพื้นฐานก็เป็นคนจิตอ่อนเชื่อง่าย เมื่อมีทุกข์ก็อยากหาที่พึ่งแต่ก็ไม่ถูกทางที่ลูกพูดออกไปแล้วเขารู้สึกว่าแมน่นพระจิตของลูกบริสุทธิ์และมีเจตนาดีต่อเขาจึงทำให้บางครั้งก็แม่นมากบางครั้งก็แม่นมั่งบางครั้งก็ไม่แมน่นแต่เขาไม่พูดให้ลูกฟังกลัวลูกเสียกำลังใจจ้ะถ้าเรางงไรเรื่องนี้ก็มีสิทธิ์ไปเป็นวิทยาทร แล้วก็ไม่ได้กลับดูสิบุรีวงบนวิเศษดังนั้นให้หันมานั่งธรรมะอย่างจริงจังดีกว่าจ้าลูกชอบมองผู้หญิงสวยและอยากเข้ากระไรทั้งๆที่ตัวลูกเองก็มีบุคลิกเป็นหญิงมากๆชอบแต่งตัวมากนั้นเพราะในอดีตลูกก็เป็นผู้ชายที่จะชู้มากๆมากมากมากดังนั้นจึงมาเป็นผู้หญิงและก็มีนิสัยใจชู้นี่ก็ยังติดตัวมาทาให้เลิกคิดอย่างนี้ลูกก็มีสิทธิ์ไปเป็นทอมดีได้ แล้วมีกรรมช่ชู้ติดมาหลายชาติและหากหมดหมกมุ่นมากก็อาจจะหมดสิทธิกลับดูสิทธิบุรี oh. คงจะอยู่แถวภูมมะเทวาหรือไม่เกินจะตุมมหาราชิกาซึ่งมีพวกเหล่านี้อยู่เยอะจ้ะทอมตุ๊ดดี้เยอะเลยแถวนี้รูดีสร้างบารมีกัมูคณะมาเดยเป็นกองสบียงประเภททำไปเรื่อยๆทาไปเลยๆแต่เฉพาะพุทธนนทผ่านมาก็เป็นทหารของพระราชาอ oh. ที่ออกบวช แต่ก็ไม่ยอมออกบวชตามพราะ ม, มัวตเจ้าชู้อยู่นั่นแหละแต่ถึงอย่างไรตอนหลังก็กลับเนื้อกลับตัวได้โดยมีพระเพื่อนรักอง์นี้แหละเป็นกระารมิตรให้จึงได้กลับดูสิตบุรีวงบนพิเศษได้ในีสุดอย่างวุดวิจะชาตินี้ไาเจอกันแล้วจะวิจวิทเหมือนชาติเดิมหรือว่าจะหลุดหลุดลอยไปหรือยังไง คิดให้ดีให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดิรุสิบุรีวงมุนวิเศษเคสบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้าที่กับเป็นเรื่องราวของเคสสัตตีสั้นๆสัยจ้ะ